ลำดับการปฏิบัติเพื่อรู้ตามซึ่งสัจธรรมภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวการประสบความพอใจในอรหัตตผลด้วยการกระทำอันดับแรกเพียงอันดับเดียวภิกษุทั้งหลายก็แต่ว่าการประสบความพอใจในอรหัตตผลย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำดับ เพราะการกระทําโดยลําดับเพราะการปฏิบัติโดยลําดับภิกษุทั้งหลายก็การประสบความพอใจในอรหัตตะผลย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลําดับเพราะการกระทําโดยลําดับเพราะการปฏิบัติโดยลําดับนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุรุษบุคคล ในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วย่อมเข้าไปหาพูดถึงอริยสัจเมื่อเข้าไปหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ย่อมเงี้ยโสดลงสดับผู้เงี้ยโสดลงสดับย่อมได้ฟังธรรมครั้นฟังแล้วย่อมทรงจำธรรมไว้ ย่อมใคร่ครวนพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลายที่ตนทรงจำไว้เมื่อเขาใคร่ครวนพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์เมื่อธรรมทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีอยู่ฉันทะความพอใจย่อมเกิดผู้เกิดฉันทะแล้ว ย่อมมีอุตสาหะครั้นมีอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาหาค <ước S 1> <oa Completely S 2> วามสมดุลแห่งธรรมครั้นมีอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมครั้นพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมแล้วย่อมตั้งตนไว้ในธรรมนั้นผู้มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่ ย่อมกระทาให้แจ้งซึ่งบรมสัตว์ด้วยนามกายด้วยย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งบรมสัตว์นั้นด้วยปัญญาด้วยในกรณีของการรู้ตามซึ่งสัจธรรมส2องขั้นตอนถ้าเราเข้าไปใคร้ควรสังเกตดูให้ดีแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับธรรมชาติของคน ที่ใช้ชีวิตเข้าๆออกออกวัดอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เป็นการง่ายที่แต่ละคนนั้นจะสามารถทำให้ครบทั้งสิบสองขั้นตอนนี้ได้บางคนมีศรัทธาเข้าไปหาอยู่นะแต่ก็ไม่ไปฟังธรรมก็มีมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปฟังธรรมแต่ไม่เอาไป ค่ควรพิจารนาก็มีฟังแล้วก็ทิ้งไว้ที่วัดกลับบ้านแล้วก็กลับเลยไม่เอาไปค่ควรพิจารณาค่ควรพิจารณาแล้วนะขาดสมาธิค่ควรไม่จบไม่ต่อเนื่องก็มีเลยทำให้ทำทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังมานั้นไม่สามารถทนต่อการเพ่งพิสูจน์ได้เราก็เลยไม่เห็นจริงในธรรมทั้งหลายซึ่งธรรมทั้งหลายนั้น เราสามารถรู้เห็นในสิ่งสิ่งนั้นได้ด้วยตนเองด้วยการเพ่งพิสูจน์ด้วยตนเองเข้าไปโยนิโสมนัสิการคือน้อมไปหเห็นตามที่เป็นจริงไปแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเอาไปไข้ควรพิจารณานั่นเองสัจจะความจริงก็จะเป็นสัจจะความจริงอยู่ตลอดเช่นพระองค์บอกว่าสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เพ่งพิสูจน์เมื่อไรก็ตรงจริงเมื่อนั้นไม่มีใครมีความสุขติดต่อต่ อ, ตอเนื่องทุกวินาทีทั้งวันหรือไม่มีใครมีความทุกขติดต่อเนื่องทุกวินาทีกระทั่งวันหรือหลายๆวั น, นต้องมีเวลาที่มันดับไปบ้า ง, างเกิดมาบ้างดับไปบ้างเกิดมาบ้างเราก็จะเห็นความจริงที่พระองค์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นความทุกข์ก็ตาม ล้วนเดินไปสู่ความดับทั้งสิ้นส่วนการพิณาหาความสมดุลแห่งธรรมนั้นพระองค์ก็ให้เราทั้งหลายนั้นปรารบความเพียนให้มากเพื่อจะหาความพอดีให้ได้บางคนมาทำอน า, าปานสติใหม่ใหม่ก็รู้สึกอึดอัดนะหายใจติดขัดนะเพราะไปปรุงแต่งลมหายใจบ้างตั้งใจมากเกินไปบ้างย่อหย่อนไปบ้าง ตรงนี้พระองค์จึงเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราจับนกด้วยมือถ้าบีบแรงไปนกก็ตายจับหลวมไปนกก็หลุดมือพระองค์จึงบอกว่าเราต้องหาความพอดีความพอดีของธรรมะซึ่งจะหาได้อย่างไรก็คือว่าเราต้องทําให้มากทําให้บ่อยทําให้เป็นปกติสม่ําเสมอแล้วเราก็จะสามารถตั้งตนไวในธรรมคือใช้ธรรมะ ที่เราเข้าถึงแล้วนั้นเป็นวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตของเราได้